ท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่านาเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาเอาเถอะท่านจะเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้ามากมาเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆนมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเอง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 นี่ก็เป็นอีกอุบายหนึ่งที่ท่านสอนคนที่แสนโง่แต่ดีไปอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านตามแบบโง่ของตนไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ที่เขียนนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิดในแง่ต่างๆของคนฉลาดสั่งสอนคนโง่บ้างเท่าที่ควรแต่ไม่ได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้แสนโง่ซึ่งรับคําชี้แจงอนุโลมและปลอบโยนจากท่านในเวลานั้นพอออกภาษาแล้ว ท่านกลับไปพักที่บ้านนามวลที่ท่านเคยพักอีกจากนั้นก็ไปพักที่บ้านห้วยแคนในป่าและพักวัดร้างชายเขาบ้านนาสีนวลหลายเดือนและไปป่วยเป็นไข้ที่บ้านนาสีนวลอยู่หลายวันจึงหายด้วยอุบายแห่งธรรมโอสถที่ท่านเคยบำบัดองค์ท่านตลอดมาตกเดือนเมษายนพศ2485ท่านออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ในงานชาพนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ท่านเสร็จงานศพแล้วท่านกลับมาจำาภาษาที่บ้านนามนปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านกลั่นกรองความเพียรของคณะลูกศิษย์โดยอุบายวิธีต่างๆทั้งเทศอบรมทั้งใช้อุบายขู่เข็นไม่ให้นอนใจในความเพียรในภรรษาท่านเว้นสี่คืนมีการประชุมครั้งหนึ่งจนตลอดพรรษาปีนั้นปรากฏว่า มีพระได้กําลังทางจิตใจกระหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลกๆไปเล่าถวายท่านผู้เขียนพลอยได้ฟังด้วยแม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อื่นในภาษานั้นก็พลอยมีอะไรๆเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังใจมาจนบัดนี้คงไม่มีวันหลงลืมตลอดชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าหลงลืมในชีวิตเป็นของหายากนี้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มดูดาขูเข็นเรานับแต่ภาษานั้นเป็นต้นมา จนกลายเป็นที่รองเช็ดเท้าท่านเรื่อยมาแต่ก่อนท่านมีแต่ใช้อุบายอนุโลมและเออออกกับเราไปเรื่อยๆจากนั้นท่านคงคิดว่าควรจะเคกเสียบ้างคืนอนุโลมไปนานก็หนักอกเปล่าๆผู้นั้นก็จะมัวนอนหลับแบบไม่มีวันตื่นขึ้นมองดูดินฟ้าอากาศเดือนดาวตะวันบ้างเลยพรรษานี้พระทั้งหลายรู้สึกตื่นเต้นกันมาก ทั้งทางความเพียรและความรู้ต่างๆที่เกิดจากจิตภาวนาเวลาประชุมธรรมหรือเวลาธรรมดามีผู้เล่าธรรมในใจถวายท่านเสมอเพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงจากท่านและนำไปส่งเสริมเติมต่อจากจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องท่านเองก็อนุเคราะห์เมตตาอย่างเต็มที่ที่มีผู้มาเรียนถามทำให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมอย่างมากขณะที่มีท่านผู้มาเรียนถามและท่านเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งเป็นเนื้อธรรมต่างๆกันเป็นเรืรายไปธรรมที่ท่านอธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมแก่ผู้มาเล่าถวายและมาเรียนถามปัญหานั้นไม่แน่นอนนะักตามแต่ผู้เล่าถวายจะออกมาในรูปใดและเรียนถามปัญหาท่านในรูปใดท่านก็อธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมไปในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษาที่รู้สึกสนุกมากก็เวลาที่มีท่านผู้มีภูมิธรรมอันสูงมาเล่าถวาย และเรียนถามปัญหาท่านนั่นยิ่งได้ฟังอย่างถึงใจจริงๆไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆและอยากให้มีผู้มาถามท่านบ่อยๆเราผู้เป็นกองช่วยโอกาสอยู่ข้างหลังได้สนุกแอ บ, บดื่มทำอย่างจุใจหายหายิวไปหลายวันเวลาโอกาสดีๆท่านเล่าอาดีตชาติของท่านให้ฟังบ้างเล่าการปฏิบัติ บ, าบําเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่มแรกให้ฟังบ้างเล่าความรู้ความเห็นต่างๆทั้งภายในภายนอกที่เกิดจากกิตจภาวนาให้ฟังบ้าง เล่าวิถีจิตที่พยายามตะเกกตะกายขึ้นจากโตมจากโคลนจนถึงขณะที่จะหลุดพ้นจากโลกสมมุติตลอดขณะที่จิตหลุดพ้นไปจริงๆให้ฟังบ้างตอนสุดท้ายนี้ทําให้เราผู้นั่งฟังอยู่ด้วยความกระหายในธรรมประเภทหลุดพ้นเกิดความกระวนกระวายอยากได้อยากถึงเป็นกําลังจนเกิดความน้อยเนื้อตําใจว่าเรานี้พอมีวาสนาบารมีควรจะบรรลุ ถ, ถึงแดนแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นได้ หรือจะมัวนอนจมดินจมโคลนอยู่ทํานองนี่เรื่อยไปไม่มีวันโผล่ขึ้นจากลมลึกได้บ้างเลยหรืออย่างไรทําไมท่านรู้ได้เห็นได้หลุดพ้นได้ส่วนเราทำไมจึงยังนอนไม่ตื่นเมื่อไรจะรู้จะเห็นจะหลุดพ้นได้เหมือนอย่างท่านบ้างที่คิดอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งทําให้มีมานะความมุ่งมั่นอดทนความเพียรทุกด้านได้มีโอกาสดําเนินสะดวก มีความดูดดื่มในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังเป็นกำลังใจทำให้หายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ามีสต า, ากล่าแข็งมีเรี่ยวแรงที่จะลากเข็นภาระแม้หนักไปได้อย่างพอใจที่ท่านสอนว่าให้พบนักปราชญ์นั้นเป็นความจริงหาที่แย้งไม่ได้เลยดังคณะลูกศิษย์เข้าอยู่อาศัยสดับตรบฟังความดีงามจากครูอาจารย์วละเล็กระน้อย ทำให้เกิดกำลังใจและซึมซาบเข้าภายในไปทุกระยะจนกลายเป็นคนดีตามท่านไปได้แม้ไม่เหมือนท่านทุกกระเบียดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูอาจารย์สั่งสอนอันหนึ่งการคบคนผ่านก็ทําให้มีส่วนเสียได้มากน้อยตามส่วนแห่งความสัมพันธ์กันที่ท่านสอนไว้ทั้งสองภาคนี้มีความจริงเท่ากันคือทําให้คนเป็นคนดีได้เพราะการครบกับคนดีและทําให้คนเสียได้เพราะการครบกับคนไม่ดี เราพอทราบได้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่คบกันนานๆอย่างน้อยลูกศิษย์นั้นๆย่อมพอมีหลักยึดได้จากอาจารย์และคนที่หลวมตัวเข้าไปอยู่กับคนพานอย่างน้อยย่อมมีการแสดงออกในลักษณะแห่งคนพานจนได้มากกว่านั้นก็ดังที่เห็นๆกันไม่มีทางสงสัยนี่กล่าวถึง่านภายนอกแต่ควรทราบว่าพานภายในยังมีและฝังจมอยู่อย่างลึกลับ ในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกรายแม้สุภาพชนทั่วไปตลอดพระเนรเทนทีผู้ทรงเครื่องแบบของพระศาสนาอันเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผยคำว่าพานในที่นี้หมายถึงความขาดคลายย่อหย่อนต่อคนมารยาของใจที่เป็นฝ่ายต่ำซึ่งคอยแสดงออกในทางชั่วและทำซ้ำโดยเจ้าตัวไม่รู้หรือแม่รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอยู่ภายใน ไม่ได้แสดงออกภายนอกให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดความจริงขึ้นชื่อว่าของไม่ดีแล้วจะมีอยู่หน้าที่แห่งใดย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู่ในตัวของมันเองไม่ถึงกับต้องแสดงออกมาจึงจะเป็นของน่าเกลียดเพราะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมจึงทรงสอนให้ละและถอดถอนโดยลาดับจนหมดสิ้นไปไม่มีคาว่าสิ่งไม่ดีเหลืออยู่เลยนั่นแล ดังพระองค์และและพระสาวกอรหันเป็นตัวอย่างจัดว่าเป็นผู้หมดมนทินทั้งภายนอกภายในอยู่ที่ใดก็เย็นกายสบายใจไม่มีสิ่งเสียดแทงรบ ก, กวนท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้หนึ่งในบรรดาท่านผู้หมดมนทินโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้สังเกตตามสติกำลังตลอดมาจึงกล้าเขียนลงด้วยความสนิทใจแม้จะถูกตาหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ใจแล้วนั้น ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงองค์ท่านผู้ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบวงแห่งมารออกพรรษาแล้วท่านยังพักบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานพรรษาต่อมาจึงมาจำพรรษาที่บ้านโคกอีกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์โกงมาเจริญปญโยสร้างถวายท่านมาจำพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุขทั้งทางกายและทางใจการประชุมอบรมพระเนน ย่อมดาเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโค บ, บ้านนามนตำบลตองโขบเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครสามพันษาติดติดกันในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกภันาการติดต่อสั่งสอนพวกเทพและชาวมนุษย์ท่านว่าท่านดาเนินไปโดยสม่าเสมอ เฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่มีความเงียบสงัดต่างกันจะมีบ้างก็หน้าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาค บ, บูชาวันวิสาข บ, บูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันประวัณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ยที่เชียงใหม่ ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจํากัดพอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีมิขาดเข้าๆออกๆสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านอุตสาหเมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่าเสมอพอตกหน้าแรงของพรรษาที่สามก็มีญาติโยมจากบ้านนองผือนาใน ไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคํานิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจําพรรษาที่บ้านหนองผือตําบลนาใ น, านาอําเภอพนนนานิคมจังหวัด ส, สุพรรณบุรท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามรายทางราวสามสี่คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึก ต้องด้นด้านซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านน้องผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านน้องผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจัดสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลับไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับปลายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หาย คงแอบมาเยี่ยมเยี่ยมมองมองอยู่ทนองนั้นคือหายไปตั้งสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้างและ ว, ว่าถ้าลูกเคยเป็นก็อาจทำเอาจนพ่อตาแม่ยายเบือ่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเคยเบือ่อเพราะทางานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มาก นอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแหละผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่ อ, อามากทีเดียวท้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียากแก้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมิฉนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุง กลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวะนะเลยไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆแล้วย้ายภรมลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไร่นาแม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่งและชอบเป็นกับพระธุดงค์กรรมฐานที่ทอทอี่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาด้วยมากสำหรับผู้เขียนแล้ว ถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโรคได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเขตดลาบตลอดวันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มพูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆทีเดียวเพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้งและรู้ลิตของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยคณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านน้องผือปีแรกก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและทเลถึงหน้าแง้งไม่ยอมหายสิ้ได้เลยจะไม่ให้เขตราบอย่างไร เพราะพระข้อคือคนที่มีหัวใจและรู้จักสุขทุกข์ดีชั่วอ ย, ย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่น่าเขคดน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลายท่านพักอยู่ที่หนองผือปรากฏมีพระเนนมากขึ้นโดยลําดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งหนึ่งก็มีถึง 20- สถึงสาสิกว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนนพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่ง แห่งละสององค์บ้านสามองค์บ้านสี่ถึงห้าองค์บ้านแห่งละเก้าถึงสิบองค์บ้านวันประชุมทำมอมุโบสถปรากฏมีพระมารวมทำมอมุโบสถถึงสามสิบถึงสี่สิบองค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่าห้าสิบถึงหกสิบองค์นอกภรรษา ย, ยังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำระาที่นั้นเวลากลางวัน พระเนนตังปรีตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างกวางมากเป็นสิบสิบกิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพนานาได้อำเภอพร น, นานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปจดจังหวัดกรสิน ฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกและฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแล้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ในถ้ำหรือเงื่อนผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปลายอยู่เป็นแห่ง แห่งละสิบลังคาเรือนบ้างยี่สิบถึงสามสิบลังคาเรือนบ้านแม้บนไหล่ขาวก็ยังมีมุ้มีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทําไร่ทําสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละห้าถึงหกลังคาซึ่งปลูกเป็นกระท่อมเล็กๆพอได้อาศัยเขาวโคจรบินธบัตบ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควร ประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งงไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัตยาสายได้อย่างสะดวกเป็นที่ที่ไปฉะนั้นพระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝนสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดน้องผือไม่ค่อยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่บาเพ็ญมาฟังการอบรม ทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านไม่ได้ขาดยิ่งหน้าแรงพระยิ่งหลั่งหลายมาจากที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวโอวาท่านไม่ได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้น ที่ว่าจางลออเวนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพนนพ น, านานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหน้องผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราวห้าร้อยเซนถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราวหกร้อยเซนผู้ไม่เคยเดินทางไฟไม่ตลอดเพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรมส่วนทางอ้อม ยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์พอเข้าไปได้แม้รถมีก็เฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทั้งไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันพระธุดงปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นรา พรไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินทุดงท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วยไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแหลโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงไรท่านถือเสว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่นตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเข้าโคจรบินทบาดมาฉันตามมีตามเกิด ไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเร็วประการใดเพียงยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสําหรับธาตุขันแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมายอันดับต่อไปท่านเดินเที่ยวหาทําเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสําคัญในการพักลมเพลเมื่อได้ทํำเลที่เหมาะแล้ว จากนั้นก็อเรื่องความภาคเพียนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะพยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริตให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วพิจารณาธรรมทั้งหลายโดยทางปัญญาทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ตลอดเวลา ทางข้างในคือธาตุขันธ์อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่องตัวอยู่ทุกขณะไม่มีเวลาสงบนิ่งอยู่ได้ว่าเป็นวิปรินามธรรมมีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไปใจไม่นิ่งนอนอยู่กับอะไรซึ่งจะเป็นเหตุให้ติดข้องโผพันกําหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวางไปเป็นระยะะปะัญญาทาการขุดค้นทั้งรากแกวรากฝอย และต้นตอของกิเลสทุกประเภทไม่รถละมีความเพลิดเพลินอยู่กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลายสิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็ไปจจรณาลงในธรรมคือไตรลักษณ์เพื่อความรู้แจ้งและถอถอนไปโดยลำดับเมื่อมีข้อคงใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่านพอได้รับคาชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้วก็กลับไปบาเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไป พระธุดงกรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้างสององค์บ้างต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักท่านนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวก ราวห7เจกิโลเมตรบ้าน 8- เก้ากิโลเมตรบ้านสบอดสองกิโลเมตรบ้านสิบห้าสิบหกกิโลเมตรบ้านหรือราวยี่สกิโลเมตรบ้านตามแต่ธรรมเล่เหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราวยี่สิกิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนบางการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า กิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เส้นจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้คือกิโลเมตรหนึ่งมียี่สิบห้าเส้นสี่กิโลเมตรก็เท่ากับร้อยเส้นโปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไวน้นี้ผลทางตามบ้านป่าบ้านเขาวไว้เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นเห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาก็เดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั่งเดิม และเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหาคันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและกวากน้ำบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม่ ม, หมีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้งยี่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มี ระหว่างทางนั้นสำคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างฝ่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกในพรานที่เที่ยวลาสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลาบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบาเพ็ญการเดินทาง และการสแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบเรื่อนชื่นใจเช่นท่านอาจารย์มั่นบังพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆเห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรัก ท, รทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรอะไรรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดชีวิต จ, จิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มาก คณะละชีวิตแทนได้โดยไม่อาลายเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งถอธรรมเป็นสาคัญกว่าสิ่งอื่นใด บางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความหินแก่ทำเวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนมุมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์ เพราะความจําจเป็นบังคับที่จําต้องอดทนการบําเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆการไปตามเฉิตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับเฉิตและธาตุขันจะพอทนได้เดินจงกรมแต่หัวค่ําตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ําจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าธรรมของมันบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะๆคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆคอยให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้าง วิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายพย์ซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆโดยมากท่านในอุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทำให้ท่านมีกำลังใจทำได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านอาจารย์มั่นเองก็เคยทามาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานโดยวิธีต่างๆ ว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนวิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังทําของท่านอยู่มิได้ลดละตลอดมาการฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทําใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลําบากนั้นไม่สําคัญเท่าผลที่จะทําให้เป็นคนดีมีความสุขมีคือมีแปรและมีทำเป็นเครื่องกํากับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้น นอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสมวัรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบาเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลบากมาเป็นอุปสรรค จึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชายอย่างยิ่งตราบใดยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยธรรมจริง ผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ทำจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่หล่อแหละย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิระชนเขาดูถูกเจดยามดังที่ทราบันอยู่เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสะานหวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติ ด้วยศาสนาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และส่งสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดการซึ่งศาสดาทแทงทะลุปลุกปลงไปหมดแล้วขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้าง ตามนิสัยของคนไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระธุดงค์ท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อยพอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้นๆบ้างการฝึกแต่และวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกาลังมากให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอน ตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานานๆบ้างเพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตยอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบแกล้ง้าหันขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกาจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้ เพื่อจิตได้รู้กำลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่ขับขันคือความจนตรอกจน ม, มุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่ขับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทรมานต่างๆ ต, ต, ตามจริกนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้น เป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอานฐานและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสถานต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เหลือการสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าชาผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวได้ ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเข็นแก่ปากแกท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็วันเทาหรือหายเสียได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดีๆรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มากโลกไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแม้ใจจะทุกเพียงไรก็ไม่เคยสนใจคิด ว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ลิตของกัลละกันดังนั้นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่นาสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่นาเกลียอยู่ภายในท่านครับ ทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทําความเพียรดังที่เคยทํามาเป็นประจำ เมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุตายจิจยังไม่ก้าวหนะ้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลภะสมกับท่านมาฝึกสรมานใจกับครูอาจารย์จริงๆมิได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินัยแต่แตผิดธรรมท่านก็าบังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นนั้นการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแทพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลก ผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทําลายใจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมันเพียงนาทีหนึ่งมันค่อยแอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสร็จแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทโดยมากก็เป็นประเภทสังหารทําลายตัวเรานั่นแลมันเกิดและเจริญเร็วที่สุดช่วพริปตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วตามแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทําลายยากคือต้นราฆทันหา ตัวทำความพิราธบาดหัวใจนี่และเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านวาราต่างเขชอบมันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาธให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างเขาพูดมีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอราหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทำลาย โรงลิเกละครและโรงอะไรๆของมันพังพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงท่านแทบเป็นแทบตายในการในการฝึกทรมานตนก็เพราะกิเลสสองท่าตัวนี้แหละเป็นเหตุและทำการกีดกวางถูงใจท่านให้เด้รับความลำบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัว แต่กิเลประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามจุดลากท่านให้เปลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวอังง่ายๆท้งไม่เลือกไว้เสียด้วยท่านจึงจำต้องตะเกกตกายด้วยการฝึกทุกทรมานโดวยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะเพา ะ, ะเยาะก็อีก ยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำต้องพรีชีพเพื่อกู้หน้ากู้ผ้าเหลืองกูเงก้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสนาไว้ดีกว่าจะตายแบบลมจมปนปีก เหล่านี้เป็นอุบายที่พระทูตหลงท่านนำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชานชัยเถิดไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศอันจกนําให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประธานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอโลปลีกปลีกตัว และผลนคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากในการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปได้วยกากน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จนหาที่ปลงวางไม่ได้ตลอดกลับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนรรดาศิ์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้า คือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่นไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าทำดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วเวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนสิทธิ์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ด<ๆ>เด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแหละท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจและฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับพลม า, ายาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกให้หมด จะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเองจึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราชญ์ท่านถือเป็นภยัยโดยจริงใจเหมือนย้ายที่ที่ถูกไฟไหม้ แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสําหรับโอวาทที่ท่านอาจารย์ม่านสั่งสอนพระธุดงตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้พอเป็นคติเกตท่านที่ชอบในอุบายท่านการให้อวาดวันทําอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะมีน้าหนักแข่งธรรมต่ า, างกันอยู่มากวันอุโบสถมีพระมาะมากจากสำนักต่างๆราวสี่สิบถึงห้าสิบองค์ กาสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสํานักท่านโดยเฉพาะวันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริงๆอํานาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาดในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วๆไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไปตามกิเลสที่ท่านเทศขับไล่ออกจากดวงใจพระทูดงปรากฏเฉพาะทางกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความทราบซึ้งตรึงใจและอาจารย์อย่างบอกไม่ถูก แม่หลังจากนั้นยังประพฏเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะหน้าธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลายพอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละน้อยะ น, อยนานไปพองตัวขึ้นอีกพอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบใหอีกพอบรรเทาเบ า, บาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะ ด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุกงค์ทั้งหลายผู้ใไข่ต่อทำแดนพ้นทุกข์จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาเพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งธรรมโดยลําพังตนเองทั้งมีส่วนเกี่ยวข้อ ง, องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วยอย่างแยกไม่ออกบางครั้งพระไปบําเพ็ญเพียรอยู่โดยลําพังพอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขโดยลําพังได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟัง พอมาเล่าถวายท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเองบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนหลือที่จะแก้ตกได้โดยลาพังสติปัญญาของตนพอท่านอธิบายทำไปถึงจุดนั้นปรากฏเหมือนท่านเขาไปทำลายความสงสัยของตนเสียได้และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นผัก ในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของกันและกันได้และทําให้เกิดความเคารพเลื่อมใส่ต่อกันมากย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทางภาคปฏิบัติเมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ในภูมิใดบรรดาสิษยที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ ย่อมทราบในขณะที่เล่าทำภายในจิตของตนถวายท่านหรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากันไม่ออกว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้วท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้นหรือชี้แจงตอนที่ตนกำลังติดขัดอยู่ให้ทะลุโปร่ปรงอย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องตีใดๆเลยอีกประการหนึ่ง ลูกเสร็จเกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้องท่านจำต้องอธิบายเหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิดจนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอน่ตอไปจนถึงที่ปลอดภยัยเมื่อต่างได้สนทนาการตามจุดต่างๆแห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ ยอมยอมรับความจริงจากกันโดยไม่มีอะไรมาประกาศยืนยันเพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพรอหมดแล้วนี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ใดยอยู่ในภูมิจิตภูมิทำขั้นใดนับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัติทั่วไปท่านทราบกันได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาส่วนการทราบด้วยอย่างนวิธีนั้นเป็นเรื่องภายในอีกขั้นหนึ่งผู้เขียนไม่อาจนํามายืนยัน จึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นรายไปที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอ น, นั่นแหละทำให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตาใจมีได้เป็นแบบสักแต่ว่าได้เห็น ได้ยินคําเล่าลือจากที่ใกล้ทีไกลแล้วเชื่อสุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัดไม่ยอมลงใครเอาไง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่าราคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสํานึกตัวว่าเวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาทํามกับท่านหรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเหล่าอย่างนี้ก็มีในบางครั้ง แต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขกลงจนกะโหลกศรีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็พื่ทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กําลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชโลมวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่โตกันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลไร้ความจริง เมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโตเสียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนําไปคบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนตอนส่วนใดที่เราเหลวก็กําหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเส้นเกล้าตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้ว่าหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้ง ต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมาตัวเอาแล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมาอง่มท่านเอง ท, งทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจัดได้ดีแทนที่จะดุดาหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคง น, นึกเหมือนไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจึงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและทกเที่ยงท่านพอให้พระใ น, นวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยหลังจากที่ท่านผ่านตงหนาป่าทึบ คือวัตถวรนที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดานานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยมิได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและคราว่า ท, ที่มีนิสัยใคร่ทําเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาทํากับท่านในขณะมาพักที่นั้น หลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบปรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวารสุดท้ายทางพระและครวาาที่กล่าวถึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระครวา่าหญิงชายตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ฝ่ายคารวะาก็เป็นผู้มั่นคงทางกิตตภาวนาและสถายาอื่นๆเรื่อยมาจนทุกวันนี้และเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านมาพักจามัษาที่อุดอรก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งเป็นพระสำคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพร อ, อุดอรเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชน ให้ไว้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสำคัญตลอดการทําบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้ายเวลาไปพักที่บ้านมามนจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ๆคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสํานักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุ ท่านในเมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสม่ำเสมออุบาสิกาคนนั้นภาวนาดีมีหลักใจทางด้านจิตภาวนาท่านเองก็ชมเชยว่าแก่ภาวนาดีซึ่งนานๆนจะได้พบสักรายหนึ่งท่านมาพักบ้านหนองผือนานในก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสําคัญไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆสถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาร้อมรอบ แต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างกวางมากและเหมาะเป็นทำเลบํา เ, เพ็ญสมณธรรมของพระธุโขทัทยได้ดีในหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราวแปสิบปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามนเป็นนักภาวนาสําคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแก่เป็นพิเศษเสมอมาแก่พยายามตะเกกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอแก่พยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์ ก่าจะถึงว่าต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสารสี่ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบหน่าสงสารมากบางทีท่านอาจารย์ก็ ท, ทําท่าดูอับว่างว่าโยมจะออกมาทําไมมาเหนื่อยไม่รู้จักหรือแม้แต่เด็กๆ เ, เ, เขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนอายุแปดสิบเ้าสิปีแล้วทําไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อลมาให้ระบากทําไมแกเริืมตอบท่านอย่างอาถานตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแก จากนั้นท่านขอถามเกี่ยวกับจิตภาวนาและอธิบายทำให้ฟังอุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีประจิตวิชาคือสามารถรู้เพืินเพดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้ด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกแกภายนอกด้วยเวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลกแปกถวายท่านด้วยความอาถรร์มากท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่า ยาแกนี้อาจหานจริงไม่กลัวใครแม้พระเนรจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแก่พวกของแกอย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรที่น่าฟังมากกอตอนที่แกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาจหานมากไม่กลัวท่านจะว่าจะดูอะไรบ้างเลยแกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่ น, นจิตหลวงพ่อประเสริฐโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกท่านตอบแกท่านหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธฐาคดดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัวแกเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นิจจิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวายและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่าฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวายครอบโลกไปหมดแล้ว อะไมาผ่านหลวงพ่อกระซาบหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อจะชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐของหลวงพ่อด้วยดังนี้ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแก่ภาวนาดีจริงๆเวลาภาวนาติดขัดแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไหเท้าเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วย ทุกครั้งที่แกมาจะได้รับคําชี้แจงจากท่านทางด้านจิตตภาวนาด้วยดีขณะที่แกมาหาท่านอาจารย์พระเนนตังองค์ต่างมาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆสลาฉันซึ่งเป็นที่ที่ยยแกมาสนทนาธรรมกับท่านเพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์ขับยายแกสนทนากันเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกน่าฟังอย่างเพลินใจเพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วน เกี่ยวกับอริยสัจ ท, ทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างท้งภายในและภายนอกเมื่อยายแก่เล่าถวายจบลงถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาทำส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไปยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่านและรู้จิตพระใ น, นวัด รู้สึกน่าฟังมากพระเนนทั้งแสดงอาการหวาดหวาดบ้างแสดงอาการอยากฟังเคเล่าบ้างแก่ว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงถึงจิตพระจิตเนนความสว่างสวัยลดลันกันลงมาเป็นลำดับลมดาเหมือนดาวใหญ่กับดาวเล็กๆทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระจิตเนนมีความสว่างสวัยและสงาา่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อักเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ่มรุมดวงใจ แม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อยก็อย่างน่าพิติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนของตนบางครั้งแกมาละถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจำนวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีฆราวาสลับปนอยู่บ้างเลยทาไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านตอบว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบาเพญ็ญจิต สำเร็จทมขั้นอนาคามีผลแล้วเวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนคารวาสมีจำนวนน้อยมากที่บำเพ็ญตนจนได้สาเร็จทำขั้นอนาคามีผลแล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้ น, นันหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคารวาสปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทำไมจึงไม่ถามพระท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอัตมาทาไมแกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่า ลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่านต่อภัยถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่านท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแก่มีความหมายเป็นสองในในหนึ่งตอบตามความจริงในสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายแก่ที่ถามต่อมาท่านห้ามไม่ให้แก่ออกโลสิ่งภายนอกมากไปเสียเวลาพิจารณาทำภายในซึ่งเป็นทางมั่งทางผลโดยตรงยายแก่ก็ ปฏิบัติตามท่านท่านอาจารย์เองชมเชยยายแก่คนนั้นให้พระฟังเหมือนกันว่าแก่มีภูมิธรรมสูงที่น่าอนโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายแก่คงเป็นด้วยเหตุเ ห, เหล่านี้ที่ทําให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่นๆบ้างคือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆที่ไปมาหาสู่ท่านได้ อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบําเพญ็ญสมณธรรมีมากหาเลือกได้ตามชอบใจเพราะมีทั้งป่าธรรมดามีทั้งภูเขามีทั้งถ้ำซึ่งเหมาะแก่ผู้สแสวงหาที่บําเพ็ญอยู่มากท่านอาจารย์มั่นพักอยู่วัดหนองผือห้าพรรษาเฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุท่านราวเกสิบห้าปีเข้าไปแล้วสุขภาพก็นับวันทรุดลง เพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาสิทธิ์ที่กำลังแสวงหารทำได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอแล้วท่านพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับผู้ผีเทวดาไม่ค่อยมีมากมีมาหาท่านก็เป็นบางสมัยไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่แต่ท่านทำประโยชน์แก่พระเนรและประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆในเนขตจังหวัดสนครที่วัดนองผือโดยมากเป็น ป่าด่งพงลึกไข้ป่าอยู่ไข้ป่าชุกชุมมากพระเนรเปรียบเยี่ยมท่านท่านต้องสั่งให้รีบออกท่าจวนเข้าหน้าฝนทนาแล้วก็อยู่ได้นานหน่อยผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนเพราะยาแก้ไข้ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้นเนื่องจากยาหายากไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ถ้าเป็นไข้จำต้องใช้ธรรมโอสถแทนยาคือต้องพิจารณาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคมบางเช่นนั้นก็แก้ทุกขเวทนาไม่ได้ไข้เม่สารไม่หายได้เร็วกว่าธรรมาาที่ควรเป็นได้ผู้ที่สติปัญญาผ่านทุกขเวทนาในเวลาเป็นไข้ไปได้อย่างอ า, านาญย่อมได้หลักยึดทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกตลอดเวลาจวนตัวจริงๆไม่ท้อแท้อ่อนแอและเสียทีในเวราสุดท้ายเป็นผู้กำมชัยชนะในทุกศัพท์ไปได้อย่างประจักษ์ใจ และอาถารต่อคติธรรมราคือความตายการรู้ทุกข์ศัตดิ์ด้วยสติปัญญาจริงๆไม่มีการอาลัยในเวลาต่อไปจิตจึดความจริงที่เคยพิจารณารู้แล้วไปหลักใจตลอดไปเมื่อถึงคราวชวนตัวเข้ามาสติปัญญาประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเข็นทุกข์ด้วยการพิจารณาให้ถึงความปลอดภัยทันทีเมื่อยองทอดทุระนอนจมทุกข์อยู่ดังแต่ก่อนที่ยังไม่เคยกําหนดรู้ทุกข์เลย แต่สติปัญญาประเภทนี้จะเข้าประชิดค่าศึกทันทีกิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคนไข้ทั่วไปคือมีการอิดหโหยรยแรงเป็นธรรมดาแต่กิริยาภายในคือใจกับสติปัญญาจะเป็นลักษณะทหารเตรียมออกแนวรบไม่มีการสะท้านหวั่นไหวต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยในขณะนั้นมีแต่การค้นหาหมูลความจริงของกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกในขณะนั้น อย่างเอาจริงเอาจังไม่กลัวว่าตนสู้หรือทนทุกข์ไม่ไหวกลัวแต่สติปัญญาจะไม่รู้รอบทันกับเวลาที่ต้องการเท่านั้นการพิจารณาธรรมของจริงมีทุกข์สัตย์เป็นต้นกับผู้ต้องการรู้ความจริงอยู่อย่างเต็มใจที่เคยรู้เห็นมาแล้วนั้นท่านไม่ถือเอาความลำบากมาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินให้เสียเวลาและทําความอ่อนแอแก่ตนอย่างไร้ประโยชน์ที่ควรจะได้เลยมีแต่คิดว่าทําอย่างไรจรึงจะรู้ ทำอย่างไรจึงจะเห็นความจริงดังที่เคยเห็นประจักษ์มาแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นจนรู้ประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันไ็ใพ้นมือสติปัญญาสถาความเพียนไปได้เมื่อรู้ความจริงแล้วทุกก็จริงกายก็จริงใจก็จริงต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรรงังวานรังแกบีบคันๆสมุทัยที่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ก็สงบตัวลงไม่คิดปรุงว่ากลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัวไข่ไม่หาย อันเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ว้าวุ่นคุนัวไปเปล่าเมื่อสติปัญญารู้รอบแล้วไข้ก็สงบลงในขณะนั้นหรือแม้ไข้ ย, ยังไม่สงบลงในขณะนั้นแต่ไม่กำเริบรุนแรงต่อไปและไม่ทับใจให้เกิดทุกขเวทนาไปด้วยที่เรียกว่าป่วยกายป่วยใจกลายเป็นไข้สองซ้อน